เป็นช่วงที่มันกําลังขาขึ้นคนมากขึ้นแม้แต่ดูจากตรนนี้จสุดท้ายอย่างจุดสี่ร้อยเนี่ยมันเป็นจุดจการที่เคยมากอย่างนี้มาก่อนครั้งนี้มันเยอะมากทั้งหน้าก็มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดงั้นถ้าพูดถึงในแง่ของการรับส่งเนี่ยปัญประเด็นจุดอ่อนของฝ่ายรับส่งก็คือรถส่วนตัวที่เข้ามามากขึ้นแล้วก็ไม่เป็นเวลา แทนที่จะทําหน้าที่รับส่งคนมันต้องทำหน้าที่รับส่งทั้งคนและรับส่งรถด้วยมันก็จะเป็นข้อจำกัดแต่ไม่รู้จะทํำยังไงครับนี้มันจะเป็นประเด็นเป็นประเด็นอยู่ประมาณนี้ก็คือปัญหาก็คือว่าต้องมาจัด ก, การเพิ่มในเรื่องของรถส่วนตัวที่ต้องไปส่งแล้วไปรับกลับเพิ่มขึ้นมาคือเพิ่มการจัด ก, การเข้ามาอีก ไม่ไม่ไม่ใช่แค่รับส่งคนตามบกซรต่อไปอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นของฝ่ายรับส่งนะครับซึ่งก็ยังไม่มีทางออกว่าจะยังไงถ้าถ้าใครมี